ก็มีสาระโยงไปรับกันกับหลักธรรมเพราะที่แท้แล้วแก่นสารของวินัยก็อยู่ที่ธรรมนั่นเองแต่ต้องจับให้ถูกที่ไม่ต้องพูดยืดยาวชีวิตพระอยู่ในสังฆะที่อยู่ได้ด้วยสามคัคคีโดยมีวินัยเป็นเครื่องสร้างและดารงสามัคคีนั้นพอถึงสามคัคคีนี่ก็คือมาถึงธรรมทันทีและตรงนี้ เรามาดูหลักธรรมที่เป็นฐานของสามมกขีนั้นให้ชัดให้ดีตรงนี้แหละก็มีหลักธรรมที่เน้นไว้ในพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกก็ย้ำไว้อีกได้แก่หลักธรรมชุดที่เรียกว่าสารานิยธรรมหกประการเป็นหลักธรรมทางสังคมสำหรับดำรงสังฆะโดยตรงธรรมชุดนี้เป็นหลักในขั้นปฏิบัติเช่น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 หรือใจนึกถึงกันด้วยเมตตาคือมีใจหวังดีปรารถนาดีต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใส 4. สาธารณะโคีหรือสาธารณะโคิตาได้มาแบ่งกันกินใช้หมายความว่ามีลาบได้ของใช้ของฉันมาก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้ได้ใช้ได้ฉันได้บริโภคทั่วถึงกัน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 สาธารณโขคีที่นำมาให้ดูข้างบนหรือให้ฟังข้างต้นแล้วที่ว่าได้ของใช้ของฉันมาก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้ได้ใช้ได้บริโภคทั่วถึงกันเรื่องวัตถุนี้ถ้าไม่ดูทางด้านวินยัยก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากแค่ไหนพูดกว้างๆ ก, ก็คือเรื่องปัจจัยสี่และส่วนที่สาคัญในชีวิตของการอยู่ร่วมกัน